เจยะปัจญจญานุโลมนัเหตุทุกขในห้ยอยสามเอดอารมณปัจจัยกับนัเหตุปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยละถึงมีสิบวาระอานันตระปัจจัยมีเจดวาระสมานันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระสหาชาติปัจจัยมีเก้าวาระอัญญามัญญปัจจัยมีสามวาระ นิสยปัจจัยกับในเหตุปัจจัยมีสิบสามวาระอุปานิสยปัจจัยละถึงมีเ้าวาระปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระอสวะนปัจจัยมีสามวาระกรมมปัจจัยมีเจดวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหาราปัจจัยมีเจดวาระอินทริยปัจจัยมีเจดวาระชานะปัจจัยมีเจ็ดวาระ มัคคะปัจจัยมีเจดวาระสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตาปัจจัยมีห้าวาระอธิปัจจัยมีสิบาวาระนัธิปัจจัยมีเจดวาระวิคตาปัจจัยมีเจดวาระอวิคตะปัจจัยมี13ามวาระเตะกะในอธิปฏิปัจจัยกับนเหตุปัจจัยและนอารามณปัจจัยมีเจดวาระ ปนันทรปัจจ SI ัยละถึงมีเจดวาระสมนันตระปัจจัยมีเจดวาระสหชาตปัจจัยมีเ้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนิสยปัจจัยมีสิบสาวาระอุปนิสยปัจจัยมีเก้าวาระปุเรชาติปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาติปัจจัยกับนเหอตุปัจจัยและเนอรามณปัจจัยมีสามวาระ อาเซวณปัจจัยละถึงมีสมวาระกรมปัจจัยมีเจดวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอหาราปัจจัยมีเจดวาระอินทริยปัจจัยมีเจดวาระชานะปัจจัยมีเจดวาระมัคคะปัจจัยมีเจดวาระสัมปยุตตปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตะปัจจัยมีหวาระอธิปัจจัยมี13าวาระ นาทิปัจจัยมีเจดวาระวิคตาปัจจัยมีเจดวาระอวิคตะปัจจัยมี13าวาระจะตุกะในอนันตรปัจจัยกับนาเหตุปัจจัยนาอารมณะปัจจัยและนาอธิปติปัจจัยมีเจดวาระสมนันตระปัจจัยกับละถึงมีเจดวาระสหาชาตตปัจจัยกับมีเก้าวาระอัญญมัญญปัญจจัยกับมีสามวาระ นิสยปัจจัยกับมีสิบสามวาระอุปนิสยปัจจัยกับมีเก้าวาระปุเรชาตปัจจัยกับมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยกับมีสามวาระอาเสวนปัจจัยกับมีสามวาระกรรมปัจจัยกับมีเจ็ดวาระวิปากปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอาหาราปัจจัยกับมีเจ็ดวาระอินทริยปัจจัยกับมีเจ็ดวาระ ชาณะปัจจ ER ัยกับมีเจ็ดวาระมัคคะปัจจัยกับมีเจ็ดวาระสัมปยุตตะปัจจัยกับมีสามวาระวิปยุตตะปัจจัยกับมีห้าวาระอธิปัจจัยกับมีสิบสามวาระนัตถิปัจจัยกับมีเจ็ดวาระวิขตะปัจจัยกับมีเจ็ดวาระอวิขตะปัจจัยกับมีสิบสามวาระปัญจกะใน นมนันตระปัจจัยกับนเหตุปัจจัยนารามณปัจจัยนอาิปติปัจจัยและนอนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระสหชาตปัจจัยกับละถึงมี9ก้าวาระอัญญามัญญปัจจัยกับมีสามวาระนิสยาปัจจัยกับมีสิบสามวาระอูปานิสยาปัจจัยกับมี9ก้าวาระปูเรชาตปัจจัยกับมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยกับมีสามวาระ กรมปัจจัยกับ ม, มีเจ็ดวาระวิปากปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอาหาราปัจจัยกับมีเจ็ดวาระอินทรียปัจจัยกับมีเจ็ดวาระชานะปัจจัยกับมีเจ็ดวาระมัคคะปัจจัยกับมีเจดวาระสัมปยุตตปัจจัยกับมีสามวาระวิปยุตตปัจจัยกับมีห้าวาระอธิปัจจัยกับมีสิบสามวาระ อวิคตาปัจจัยกับมีสิบสามวาระฉักะในสหชาตปัจจัยกับนเหตุปัจจัยณอารามณปัจจัยณอธิปติปัจจัยณอนันตระปัจจัยและณสมนันตระปัจจัยมีเก้าวาระอัญญามัญญปัจจัยกับละถึงมีสามวาระนิสยปัจจัยกับมีสิบสามวาระอุปานิสยปัจจัยกับมีเก้าวาระ Utta, ป, ampa, PI, ปุเรชาต ป, asma, ปจัจจัยกลับมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยกลับมีสามวาระกรมปัจจัยกลับมีเจ็ดวาระวิปากปัจจัยกลับมีหนึ่งวาระอาหาระปัจจัยกลับมีเจดวาระอินทรียะปัจจัยกลับมีเจดวาระชานะปัจจัยกลับมีเจดวาระมรรคปัจจัยกลับมีเจดวาระสัมปยุตตปัจจัยกลับมีสามวาระ วิปยุตตาปัจจัยกับมีหวาระอธิปัจจัยกับมีสิบาวาระอวิคตะปัจจัยกับมีสิาวาระสัตตกะในอัญญามัญญปัจจัยกับนัเหตุปัจจัยนัอารมณะปัจจัยนัอธิปฏิปัจจัยนัอนันตระปัจจัยนัสมนันตระปัจจัยและนัสหชาตาปัจจัยมีสามวาระนิสยปัจจัยกับละถึงมีสามวาระ อุปณิยตปัจจัยกับมีเวาระปุเรชาติปัจจัยกับมีสวาระปัจฉาชาตะปัจจัยกับมีสวาระกรรมปัจจัยกับมีสองวาระอาหาระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอินทริยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระวิปยุตตาปัจจัยกับมีหวาระอธิปัจจัยกับมีเจ็วาระอวิคตาปัจจัยกับมีเจวาระ อธกะในนิจยปัจจัยกับนะเหตุปัจใจน่ะอารมณปัจใจน่ะอธิปฏิปัจใจน่ะอนันตรปัจใจน่ะสหชาตปัจจัยและนะอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระอุปนิสยปัจจัยกับละถึงมีเก้าวาระปุเรชาตปัจจัยกับมีสามวาระปัจชาชาตปัจจัยกับมีสามวาระกรรมปัจจัยกับมีสองวาระ อาหาระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอินทริยะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยกับมีห้าวาระอธิปัจจัยกับมีเจดวาระอวิคตะปัจจัยกับมีเจดวาระนวัฏในอุปนิจญาปัจจัยกับนเหตุปัจจัยณอารมณปัจจัยและถึงณอัญญมัญญาปัจจัยและณนิสยปัจจัยมีเก้าวาระ ปุเระชาะตปัจจัยกับละถึงมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยกับมีสามวาระกรรมปัจจัยกับมีสองวาระอาหาระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอินตริยะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระวิปยุตตาปัจจัยกับมีสามวาระอธิปัจจัยกับมีห้าวาระอวิคตปัจจัยกับมีหวาระเอกาทัศก์ใน ปัจฉาชาตะปัจจ Vatic ัยกับนเหตุุปัจจัยณอรมณะปัจจัยย่อปัจจัยที่เป็นมมลนนิสยปัจจัยณอุปาณิสยปัจจัและน่ปุเรชาตปัจจมีสามวาระกัรมปัจจกับละถึงมีสองวาระอาหาระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอินทริยะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยกับมีสามวาระอธิปัจจกับมีหาวาระ อวิคตะปัจจัยกับมีห้าวาระทวารทศกะในกรรมปัจจัยกับนเหตุปัจจัยนอารมณปัจจัยย่อปัจจัยที่เป็นมูลณอุปาณิสยาปัจจัยณาปุเรชาตะปัจจัยและณปัจชาชาตะปัจจัยมีสองวาระอาหารปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระอินเชียปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ อวิคตาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโซลสกะในสาหาระอินทรียปัจจัยกับนเหตุปัจจัยณอารมะณปัจจัยย่อปัจจัยที่เป็นมูลณปัจฉาชาตปัจจัยณอาศิวณปัจจัยะกรรมปัจจัยณวิปากปัจจัยและณอาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระ อวิคตาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระพาวีชกะในสาหาระอินทริยาปัจจัยกับนเหตุปัจจัยณอารมณปัจจัยย่อปัจจัยที่เป็นมูลณอาหาระปัจจัยะชานะปัจจัยะมรคราปัจจัยณสัมปยุตตปัจจัยณวิปยุตตาปัจจัยโนนัติปัจจัยและโนวิคตปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระ อวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระโซลสกะในจะอินทรียะอาหารรปัจจัยกับนเหตุปัจจัยนารมณะปัจจัยย่อปัจจัยที่เป็นมูลนวิปากปัจจัยและนอินทรียะปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระอวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระพาวีสกะในจะอินทรียะ อาหารปัจจัยกัะเหตุปัจจัยนารามณปัจจัยย่อปัจจัยที่เป็นมูลนะอินทริยปัจจัยนะชานะปัจจัยนะมค้าปัจจัยนะสัมปยุตตะปัจจัยนวิปยุตตะปัจจัยโนนธิปัจจัยและโนวิคตะปัจจัยมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับละถึงมีหนึ่งวาระอวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระนัเหตุมูลกะในจก นาอารมณทุ ก, กนายหกร้ยสามสองเหตุปัจจัยกับนาอารมณะปัจจัยมีเจ็ดวาระอธิปติปัจจัยละถึงมีเจ็ดวาระอนันตระปัจจัยมีเจดวาระ สมณันตระปัจจัยมีเจดวาระสหชาตะปัจจัยมีเ้าวาระมัญญามัญญปัจจัยมีสามวาระนิสยปัจจัยมีสิบสามวาระอุปนิสยปัจจัยมีเ้าวาระปุเรชาตะปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตะปัจจัยมีสามวาระอาเสวนปัจจัยมีสามวาระกรมมปัจจัยมีเจดวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระ อาหารปัจจัยมีเจดวาระอินทริยปัจจัยมีเจดวาระชานะปัจจัยมีเจดวาระมัคคับปัจจัยมีเจดวาระสัมปยุตตปัจจัยกับนอารมณปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตะปัจจใจละถึงมีห้าวาระอธิปัจจัยมีสิบสามวาระนัธิปัจจัยมีเจดวาระวิคตปัจจัยมีเจดวาระอวิคตปัจจัยมีสิบสามวาระ อธตกะในนิจญาปัจจัยกับนารมณปัจใจน่ะเหตุปัจใจน่ะอธิปติปัจใจน่ะอนันตระปัจใจน่ะสมนันตรปัจใจน่ะสหชาตปัจจัยและนะอัญญามัญปัจจัยมีสามวาระอุปนิจญาปัจจัยกับละถึงนีเก้าวาระปุเรชาตปัจจัยกับมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยกับมีสามวาระ กรรมปัจจัยกับมีสองวาระอาหารปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอินทรีย์ปัจจัยกับมีหนึ่งวาระวิปยุตตาปัจจัยกับมีห้าวาระอธิปัจจัยกับมีเจ็ดวาระอวิคตะปัจจัยกลับมีเจดวาระณาอารมณะมูลกะในจบนาอธิปฏิทุกไนห้ยสาสาม เหตุปัจจัยกับนอธิปติปัจจัยมีเจ็ดวาระอะระมะณปัจจัยละถึงมีเก้าวาระพึงขยายให้พิจารณาเหมือนนัเหตุมูลกะในนัอธิปติมูลกะในจบณอนันตระและณสมนันตระทุกกะในห้อยสามสเหตุปัจจัยกับณอนันตระปัจจัยละถึงณสมนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระ อารามณะปัจใจกับละถึงมีเก้าวาระอธิปติปัจใจกับมีสิบวาระสหชาตปัจใจกับมีเก้าวาระอัญญมัญญปัจใจกับมีสามวาระนิสยปัจใจกับมีสิบสามวาระอุปนิสยปัจใจกับมีเก้าวาระอุเรชาตปัจใจกับมีสามวาระปัชชาชาตาปัจใจกับมีสามวาระกรรมะปัจใจกับมีเจ็ดวาระ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 นิสยปัจจัยกับณสมันันตรปัจจัยเเหตุปัจจัยณอารามณปัจจัยณอธิปติปัจจัยณอนันตรปัจจัยณสหชาตะปัจจัยและณอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระอุปนิสยปัจจัยกับละถึงมีเ้าวาระภูเรชาตะปัจจัยกับมีสามวาระปัจชาชาตะปัจจัยกับมีสามวาระอาเสวนปัจจัยกับมีสามวาระ กรมปัจจัยกับมีสองวาระอาหาระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระลินทเรยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยกับมีห้าวาระอธิปัจจัยกับมีเจ็ดวาระอวิคตะปัจจัยกับมีเจดวาระยอ่อนณะสมณันตระโมลกะในจบณนะสหาชาตะทุกกในักร้อยสามสิห้า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 กรมปัจจัยมีสองวาระอาหารปัจจ enfin, ัยมีหนึ่งวาระอินทริยปัจจัยมีหนึ่งวาระวิปยุตตาปัจจัยมีห้าวาระอธิปัจจัยมีเจดวาระนติปัจจัยมีเจดวาระวิคตาปัจจัยมีเจ็ดวาระอวิคตาปัจจัยมีเจดวาระปัญจกะใน อนันตระปัจจัยกับณาสหชาตปัจจัยนเหตุปัจจัยณอารมณปัจจัยและณอธิปติปัจจัยมีเจดวาระสมานันตระปัจจัยกับละถึงมีเจดวาระนิสยปัจจัยกับมีสามวาระอุปนิสยปัจจัยกับมีห้าวาระอุเรชาตปัจจัยกับมีสามวาระปัชาชาตปัจจัยกับมีสามวาระอาเสวนปัจจัยกับมีสามวาระ กรรมปัจจัยกับมีสองวาระมหารัปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับมีหนึ่งวาระวิปยุตตาปัจจัยกับมีห้าวาระอธิปัจจัยกับมีเจ็ดวาระนัตถิปัจจัยกับมีเจ็ดวาระวิคตาปัจจัยกับมีเจ็ดวาระอวิคตาปัจจัยกับมีเจ็ดวาระนวกกะใน อ oh, no? yes. ุปน um. oh, ิสยปัจจัยกับนาชหชาตะปัจจัยนาเหตุปัจจัยนอารามณปัจจัยนอธิปติปัจจัยนอนันตระปจจัยนสมัันตระปัจจัยนอัญญมัญญปัจจัยและนนิสยปัจจัยมีเก้าวาระปุเรชาตปัจจัยกับละถึงมีเก้าวาระปจ้าชาตปัจจัยกับมีสามวาระกรรมะปัจัยกับมีสองวาระ อาหารปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอินทริยะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยกับมีสามวาระอธิปัจจัยกับมีห้าวาระอวิคตะปัจจัยกับมีห้าวาระย่อนาะสหาชาตะมูลกะไนจบนะอัญญะมัญญะทุกไนหกร้อยสามสิบหกเหตุปัจจัยกับนอัญญะมัญญะปัจจัยมีสามวาระ อารมณปัจจัยละถึงมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยมีแปดวาระอนันตระปัจจัยมีเจดวาระสมานันตระปัจจัยมีเจดวาระสหชาตปัจจัยมีห้าวาระนิสยปัจจัยมีเจดวาระอุปนิสยปัจจัยมีเก้าวาระบรชาตปัจจัยมีสามวาระปัจชาชาตปัจจัยมีสามวาระอเสวนปัจจัยมีสามวาระ กรมปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยมีสามวาระลินทริยปัจจัยมีสมวาระชานะปัจจัยมีสมวาระมัคคะปัจจัยมีสมวาระวิปยุตตปัจจัยมีหวาระอธิปัจจัยกับนาัญญมัญญปัจจัยมีเจวาระนัตติปัจจัยละถึงมีเจวาระวิคตะปัจจัยมีเจดวาระ อวิคตปัจัยมีเจดวาระจจตุขไนอธิปติปัจใจคำณัอัญญมัญญะปัจจัยนะเหตุปัจจัยและนะอารมณะปัจจัยมีสามวาระอนันตระปัจจัยกับละถึงมีเจ็ดวาระสมานันตระปัจจัยกับมีเจดวาระสหาชาตปัจจัยกับมีห้าวาระนิจยปัจจัยกับมีเจ็ดวาระอุปนิจยปัจัจกับมีก้าวาระ ปุเรชาตปัจจัยกับมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยกับมีสามวาระอาเสวนปัจจัยกับมีสามวาระกามาปัจจัยกับมีสามวาระวิปากปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอาหารปัจจัยกับมีสามวาระอินทรียาปัจจัยกับมีสามวาระชานะปัจจัยกับมีสามวาระมคคปัจจัยกับมีสามวาระ วิปยุตตาปัจจัยกับม <Arabic. S 2> <mod> ีห้าวาระอธิปัจจัยกับมีเจ็ดวาระนัตถิปัจจัยกับมีเจ็ดวาระวิคตะปัจจัยกับมีเจ็ดวาระอวิคตะปัจจัยกับมีเจ็ดวาระอัตกะในนิสยปัจจัยคำนั้นอัญญามัญญปัจจัยนัเหตุปัจจัยนัอารมณปัจจัยนัอธิปติปัจจัยนัอนันตระปัจจัย ณสมนันตระปัจจัยและณสหชาตปัจจัยมีสวาระอุปาณิยปัจจัยกับละถึงมีเ้าวาระปุเรชาตปัจจัยกับมีสวาระปัจฉาชาตปัจจัยกับมีสวาระกามาปัจจัยกับมีสองวาระมหาราปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอินทริยะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระวิปยุตตาปัจจัยกับมีหวาระ อธิปัจจัยกับมีเจ็ดวาระอวิคตะปัจจัยกับมีเจ็ดวาระย่อณอัญญมัญญะมูะมลกะในจบนานิสยะทุกัะในหกรอยสาส อารามณปัจจัยจขปนานิสิยปัจจัยมีเก้าวาระอธิปติปัจจัยละถึงมีเจดวาระอนันตระปัจจัยมีเจดวาระสมนันตระปัจจัยมีเจดวาระอุปนิสิยปัจจัยมีเก้าวาระปุเรชาตะปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวาระอาเสวนปัจจัยมีสามวาระกรรมปัจจัยมีสองวาระ อาหารปัจจัยมีหนึ่งวาระอินทริยปัจจัยมีหนึ่งวาระวิทยุตะปัจจัยมีสามวาระอธิปัจจัยมีเจ็ดวาระนัตถิปัจจัยมีเจดวาระวิคตปัจจัยมีเจ็ดวาระอวิคตปัจจัยมีเจดวาระปัญจักรในอนันตระปัจจัยกับนานิสยปัจจัยนาเหตุปัจจัยนาอารมณปัจจัยและนาอธิปฏิปัจจัยมีเจ็ดวาระ สมนันตรปัจจัยกับละถึงมีเจวาระอุปัณิจยปัจจัยกับมี9วาระปัจฉาชาตาปัจจัยกับมีสวาระอายเสวนปัจจัยกับมีสวาระกรรมปัจจัยกับมีสองวาระอาหาระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอินทริยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระวิปยุตตะปัจจัยกับมีสวาระอธิปัจจัยกับมีหวาระ นัตถิปัจจัยกับมีเจ็ดวาระวิคตะปัจจัยกับมีเจ็ดวาระอวิคดะปัจจัยกับมีห้าวาระนวะกะในอุปานิสิยปัจจัยกับนานสิยปัจใจนัเหตุปัจใจนัอารมณปัจใจนัอธิปติปัจใจนัอนันตรปัจใจนัสมนันตรปัจใจนัสหชาตปัจจัยและนัอัญญมัญญาปัจจัยมีเ้าวาระ ปัจฉชาตะปัจจัยกับละถึงมีสมามวาระกรรมปัจจัยกับมีสองวาระอหาระปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอินทรียะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระวิปยุตตะปัจจัยกับมีสามวาระอธิปัจจัยกับมีห้าวาระอวิคตะปัจจัยกับมีห้าวาระย่อนานิสยมูลกะในจบหนอุปาณิสยทุกกะใน หกรเหตุป ar ar enfin ัจจัยกับนาอุปาณิสยปัจจัยมีเจดวาระอารมณปัจจัยละถึงมี9้าวาระอธิปติปัจจัยมีเจดวาระสหชาติปัจจัยมี9้าวาระอรญยมัญญปัจจัยมีสามวาระนิสยปัจจัยมี13าวาระปุเรชาติปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาติปัจจัยมีสามวาระกรมปัจจัยมีเจดวาระ วิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอาหาระปัจจัยมีเจดวาระอินทรียะปัจจัยมีเจ็ดวาระชานะปัจจัยมีเจ็ดวาระมัคะปัจจัยมีเจ็ดวาระสำปรยุตตปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตปัจจัยมีห้าวาระอธิปัจจัยมีสิบสามวาระอวิคตปัจจัยมีสิบสามวาระอัตกะใน นิจยปัจจัยกับนอุปาณิสยปัจจัยณเหตุปัจจัยณอารมณปัจจัยณอธิปติปัจจัยณอนันตระปัจจัยณสมันันตระปัจจัยและณสหชาตปัจจัยมีสามวาระปุเรชาติปัจจัยกับละถึงมีสามวาระปัจฉาชาติปัจจัยกับมีสามวาระกรรมปัจจัยกับมีสองวาระอหารัปัจจัยกับมีหนึ่งวาระ อินทรียะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระวิปยุตตาปัจจัยกับมีห้าวาระอธิปัจจัยกับมีเจ็ดวาระอวิคตปัจจัยกับมีเจ็ดวาระย่อณอุปาณิยมูลกะในจบณปูเรชาตะทุกขนักร้ยส39เกหตุปัจจัยกับณปุเรชาตะปัจจัยมีเจดวาระอารมณะปัจจัยละถึงมีก้าวาระ อธิปฏิปัจจัยมีส hmm да um ิบวาระอานันตระปัจจัยมีเจดวาระสมนันตระปัจจัยมีเจ็ดวาระสหชาติปัจจัยมีเ้าวาระอัญญามัญญปัจจัยมีสามวาระนิสยปัจจัยมีเ้าวาระอุปญนิสยปัจจัยมีเ้าวาระปัจฉาชาติปัจจัยมีสามวาระอสิวะนปัจจัยมีสามวาระครามปัจจัยกับนปุเรชาติปัจจัยมีเจดวาระ วิปากปัจจใจละถึงมีหนึ 3, nine, Whole, ่งวาระอาหาระปัจจัยมีเจดวาระอินทรียะปัจจัยมีเจดวาระชานะปัจจัยมีเจดวาระมัคคะปัจจัยมีเจดวาระสัมปยุตตปัจจัยมีสมวาระวิปยุตตปัจจัยมีสมวาระอธิปัจจัยมี9้าวาระนณฐิปัจจัยมีเจดวาระวิคตปัจจัยมีเจดวาระอวิคตปัจจัยมี9วาระ จตุกนัยอธิปฏิปัจจัยกับณบุเรชาตะปัจจัยนเหตุปัจจัยและณอารมณปัจจัยมีเจดวาระอานันตรปัจจัยกับละถึงมีเจ็ดวาระสมานันตรปัจจัยกับมีเจ็ดวาระชาชาตะปัจจัยกับมีเก้าวาระอัญญมัญญปัจจัยกับมีสามวาระนิสยปัจจัยกับมีเก้าวาระอุปนิสยปัจจัยกับมีเก้าวาระ ปัจฉาชาติปัจจัยกับมีสามวาระอาเสวณปัจจัยกับมีสามวาระกรรมปัจจัยกับมีเจดวาระวิปากปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอาหาระปัจจัยกับมีเจ็ดวาระอินทรียะปัจจัยกับมีเจดวาระชานะปัจจัยกับมีเจดวาระมัคคะปัจจัยกับมีเจดวาระสัมปยุตตปัจจัยกับมีสามวาระวิปยุตตะปัจจัยกับมีสามวาระ อธิปัจจัยกับมีเก้าวาระนัตถิปัจจัยกับมีเจดวาระวิคตะปัจจัยกับมีเจดวาระอวิคตะปัจจัยกับมีเก้าวาระนวกะในนิสยปัจจัยกับนาปุเรชาตาปัจจัยนาเหตุตกปัจจัยนาอารมณปัจจัยนาอธิปติปัจจัยนาอนันตรปัจจัยนาสมนันตรปัจจัยนาชาชาตาปัจจัย และณอัญญมัญญะปัจจัยมีเก้าวาระอุปนิชยะปัจจัยกลับละถึงมี9ก้าวาระปัจฉาชาตะปัจจัยกลับมีสามวาระกรมมปัจจัยกลับมีสองวาระอหาระปัจจัยกลับมีหนึ่งวาระอินทรียะปัจจัยกลับมีหนึ่งวาระวิปยุตตปัจจัยกลับมีสามวาระอธิปัจจัยกลับมีห้าวาระอวิคตปัจัจกลับมีห้าวาระย่อ นาปุเรชาตะมูลกะในจบนปัจฉาชาตะทุกะในหกร้อยสี่สิบเหตุปัจจัยกับนปัจฉาชาตะปัจจัยมีเจดวาระอารมณะปัจจัยละถึงมีเก้าวาระอธิปฏิปัจจัยมีสิบวาระอนันตระปัจจัยมีเจดวาระสมนันตระปัจจัยมีเจดวาระสหชาตะปัจจัยมีเก้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระ นิสยปัจจัยมีสิบสามวาระปุปณนิสยปัจจัยมี9ก้าวาระปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระอสิวะนปัจจัยมีสามวาระกรมมปัจจัยมีเจดวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอหาระปัจจัยมีเจดวาระอินทริยปัจจัยมีเจดวาระชาณะปัจจัยมีเจดวาระมัคคะปัจจัยมีเจดวาระสัมปยุตตปัจัยมีสามวาระ วิปยุตตาปัจจัยมีห้าวาระอธิปัจจัยมีสิบสามวาระนัธิปัจจัยมีเจ็ดวาระวิคตะปัจจัยมีเจ็ดวาระอวิคตะปัจจัยมีสิบสามวาระนวะกะในนิสยปัจจัยกับเนปัจฉาชาตะปัจจัยนเฮตุปัจจัยนอารมณปัจจัยนอธิปติปัจจัยนอนันตระปัจใจเนจสมนันตรปัจจัยนสหชาตาปัจจัย และนือัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระอุปานิชยปัจจัยกับละถึงมี9้าวาระปุเรชาตปัจจัยกับมีสวาระกรรมปัจจัยกับมีสองวาระอหาราปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอินทรียาปัจจัยกับมีหนึ่งวาระวิปยุตตาปัจจัยกับมีสามวาระอธิปัจจัยกับมีสามวาระอวิคตปัจจัยกับมีสามวาระ ถ้าสกตะในอุปาณิยัปัจกับหน้าปัจฉาตาปัจจัยณเหตุโตปัจจัยณอารมณปัจจัยณอธิปติปัจจัยณอนันตรปัจจัยณสมณันตระปัจจัยณสหชาติปัจจัยณอัญญมัญญปัจจัยและณน้านิยัปใจมี๕วาระกรรมปัจจัยกับละถึงมี๒วาระอาหารัปัจจัยกับมี๑วาระ อินทริยปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอธิปัจจัยกับมีหนึ่งวาระพวิคตะปัจจัยกับมีหนึ่งวาระย่อนปัจฉชาชาตะมูลกะในจรนอาอเสวณะทุกกใน 1, หกร้อยสี่เอ็ดเฮตุปัจจัยกับนบอาอเสวณะปัจจัยมีเจ็ดวาระอารมณะปัจจัยละถึงมี9ก้าวาระ อธิปติปัจจัยกับนาอเสวนปัจจัยมีสิวาระอนันตระปัจใจและถึงมีห้าวาระสมนันตระปัจจัยมีห้าวาระสหชาตตปัจจัยมี9้าวาระอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระนิสยปัจจัยมี13าวาระอุปานิสยปัจจัยมี9้าวาระปุเรชาตตปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตตปัจจัยมีสามวาระ กรมปัจจัยม pues ีเจดวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอหารปัจจัยมีเจดวาระอินทรียปัจจัยมีเจดวาระชาณะปัจจัยมีเจดวาระมัคคปัจจัยมีเจดวาระสัมปยุตตะปัจจัยมีสามวาระวิปยุตตะปัจจัยมีห้าวาระอธิปัจจัยมีสิบสามวาระนัตถิปัจจัยมีห้าวาระวิคตะปัจจัยมีห้าวาระ อวิคตปัจจัยมีสิบสาวาระนวะกะในนิจญาปัจจัยกับนัอเสวนปัจจัยณเหตุปัจจัยณอารมณปัจจัยณอธิปติปัจจัยณอนันตระปัจจัยณสมนันตระปัจจัยณสหชาตะปัจจัยและนอัญญามัญะปัจจัยมีสามวาระอุปานิจญาปัจใจกับละถึงมีเก้าวาระปุเรชาตปัจจัยกับมีสามวาระ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 ปุเรชาตปัจจัยมีสามวาระปัจฉาชาตปัจจัยมีสามวา ร, <reel> ระอาเสวนปัจจัยมีสามวาระวิปากปัจจัยมีหนึ่งวาระอหาราปัจจัยมีเจดวาระอินทรียปัจจัยมีเจดวาระชานะปัจจัยมีเจดวาระมัคคปัจจัยกับนกรรมปัจจัยมีเจดวาระสัมปยุตตาปัจจัยละถึงมีสามวาระวิปยุตตาปัจจัยมีห้าวาระ อธิปัจัจมีสิบสามวาระนัตถิปัจจัยมีเจ็ดวาระวิคตาปัจจัยมีเจ็ดวาระอวิคตาปัจจัยมีสิบสามวาระนวกกะในนิจยปัจใจกาณกรรมปัจใจนเเหตุปัจจใจนารามณปัจใจนัอธิปฏิปัจใจนัอนันตรปัจใจนัสมนันตระปัจใจนัสหชาติปัจจัยและนัอัญญมัญญปัจจัยมีสามวาระ อุปนณิยปัจจัยกับละถึงมี9ก้าวาระปุเรชาตะปัจจัยกับมีสามวาระปัจจ้าชาตะปัจจัยกับมีสามวาระอาหารปัจจัยกับมีหนึ่งวาระอินทรียปัจจัยกับมีหนึ่งวาระวิปยุติปัจจัยกับมีห้าวาระอธิปัจจัยกับมีเจดวาระอวิคตปัจจัยกับมีเจดวาระย่อนักรรมมูลกะในจบ นวิปากะทุกกในหกร้อยสี่สิบสามเหตุปัจจัยกับนวิปากะปัจจัยมีเจ็ดวาระอวิคตะปัจจัยละถึงมีสิบสามวาระพื้นขยายให้พิจารเหมือนนเหตุมูลกะในนวิปากะมูลกะในจบ